คำรวมใจไว้คำรวมใจของเราไว้ให้อยู่กับตัวของตัวเองให้มากที่สุดให้มากที่สุดบ่อยที่สุดเราส่งจิตใจออกไปข้างนอกด้วยเรื่องต่างๆมาตั้งนานแล้วนานแล้วจนํำนานถึงไม่คิดว่าจะส่ง ม, มันก็ไป ที่ชำนาญอะไรโน้น no. no. ตั้งแต่เราเป็นเด็กนะ mm. พอรู้ความขึ้นมาก็ส่งจิตใจไปเรื่อยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เราจะฝึกให้มันดีคือให้มันหักอยู่กับที่อยู่กับตัวของเราไม่ส่งไปไหนเนะี่ยมันจึงเป็นเรื่องเด็ดลบากจะต้องฝึกต้องหัด ก, กันแต่มันดีดีเพราะว่า มันจะทําให้จิตใจมีกําลังเราคิดดูจากที่เราอยู่กันมาเกิดมาแล้วตรงจิตใจไปข้างนอกออกไปจากตัวของตัวเองอยู่มาเรื่อยๆตลอดเ น, นีมันได้อะไรดีขึ้นมาบ้างสิ่งที่ได้มานั้นนะ่ะมันมีสาระแก่นสารเท่าไหร่ลองที่เรณาตั้งใจพิจารณาให้ดีๆให้รอบคอบดูซิมันได้ประโยชน์มา ก, กเท่าไหร่ มันเป็นแก่นเป็นสารไม่พอจะพึ่งพาอาศัยได้ไหมถ้าเผื่อเราเข้าที่อับที่จนมาอย่างเจ็บไข้ได้รวยที่ว่าหมอกลับรักษาไม่ได้แล้วนั่นถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะพึ่งอะไรจะพึ่งใจมันจะพึ่งได้ไหมเราเคยส่งจิตส่งใจไปข้างนอกไปด้วยเรื่องของคนอื่นบ้างไปด้วยเรื่องของทรัพย์สินบ้างไปด้วยเรื่องของ อะไรหลายๆอย่างในโลกนี้แหละที่เขามีเรียออยู่ในโลกเนี่ยบางทีก็สมมติขึ้นมาแล้วก็ส่งจิตใจไปตามนั้นเล่าสรงไปอย่างนั้นตลอดมาแล้วมันเป็นยังไงมันพึ่งได้ไหมทำมาพิจารณาให้ดีเลยในที่สุดมันพึ่งไม่ได้หรอกบางทีมันก็าตากวดแล้วว่าไม่ให้เราพึ่งแล้วตั้งนานมาแล้วละ่ะเรายังไม่แก่มันก็บางทีบางเรื่องบางอย่าง เราขวัญขวายหนักหนาแล้วมันก็ไม่อยู่แล้วไม่เหลือไม่รอดไม่ไม่คงอยู่แล้วหมดบางทีพอเราแก่ตัวเข้ามาแล้วก็จะเห็นนะ่ยร่างกายเนี่เรารักเท่าไหร่เนี่ยรักมากสรรพารอันเด็ดอร่อยก็มาให้บริโภคมา้บํารุงมนันนั่นแหละร่างกายนี่แหละเจ็บไข้ได้ปวดปรีบคูลีกูจอไปหาหมอรักษากันไว้คานุกบารุงนี่ยุงมันจะมากัด กรีบควันควายเอามุ้งมากางบ้านทั้งบ้านก็จะนั่งอยู่เฉยๆอพอกลัวยุงจะกัดก็เอามุ้งวดมาใส่มันร้อนมากไปก็ไปเอาเครื่องปรับอากาศไปเอาแอร์มาติดมาตั้งเนี่ลองคิดดูี่เนี่ยร่างกายเนี่ยเราก็ภูมิหอมดีหนักหนามันก็ยังจะไม่ให้พึ่งเนี่ยพราแก่ตัวมาแล้วอยพาเดินขึ้นไปสลาหน่อย เดินขนไปจะฟังเทศฟังธรรมเลยนั่งภาวนาหน่อยมันก็ไม่พอจะยอมนะบางทีเราจะลงจากบ้านหรือเราจะลงอยู่ข้างล่างแล้วเราจะขึ้นไปบนบ้านมันก็ไม่พาไปเนี่ยลองคิดดูสิมันไม่ได้อะไรเลยที่เราฟวนฝัออกไปนอกแม้กระทั่งนอกไม่ใจนะักนอกออกไปจากใจนอกมาอยู่แถวกายแถวแขงแถว้าแถวเนื้อแถวหนังไปพวกเนี้ย แต่ก่อนเรามองไม่เห็นหรอกเพราะว่าเรายังหนุ่มยังแน่นอยู่ยังแข็งแรงไล้ขับไปเข็งยังไปหาความเติร์ดเจิญส น, นุกสนานยังนึกว่าไปอีกนานยังจะพึ่งได้ไปอีกนานแค่งไหนเนี่ยแค่เมื่อแก่เข้าอายุมากเข้ามามันจะเห็นหรอมันพึ่งไม่ได้ทีนี้พึ่งไม่ได้ได้ควันขวายามาพึ่งอะไรเรากายพึ่งไม่ได้มันก็เลยไต่ใจเท่านั้นเนี่ยใจเราที่ส่งไปข้างนอกอยู่ตลอดเวลานเนี่ย มาบัด น, นี้ก็หวาดวันกันแล้ววาดตัวกัแล้วโลเลกระดับกระสายแล้วพึ่งไม่ได้แล้วไม่ยึดไม่มันไม่คงแล้วพึ่งไม่ได้บาดวันบาดตัวเพราะฉะนั้นมาทำแบบพระพุทธเจ้าคือตรงกันข้ามกับที่เราเคยเคยชินเคยกระทำมาตรงจิตใจไปข้างนอกก็เลิกนะคราวนี้รักษาไว้ในนี้ รักษาใจไว้ในที่สุดแนละ้วมันจะต้องกลับมานี่แหละท่านบอกว่าตายเนี่ยเป็นเหมือนถ้าจิตเป็นเหมือนเจ้าของถ้าหรือผู้อาศัยถ้เนี่ยทีนี้ไปไห น, นไปไหนแล้วก็กลับมาพักในถ้านี่แหละท่านว่ายอย่างนั้นนะทีนี่เราลองมาคิดดูมันพึ่งอะไรไม่ได้เลยจริงๆแล้วต้อกลับมาคนที่เที่ยวเสร็จ เ, เ, เล่ร่อนไปหายอยู่หากินอะไร พอในที่สุดก็ต้องโบกกลับมาบ้านเมื่อจะพักจะผ่อนเขากลับมาบ้านมาพักมาผ่อนที่บ้านก็นั่นยังดีคนที่ยังมีหลักมีแหล่งมีบ้านให้กลับมาส่วนคนที่เสร็จเตะเร่ร่อนไปเนะ่ยไม่มีบ้านจะพักเนะ่ะเราก็จะเห็นนะเราเห็นอยู่อ่าเสร็จเตไปไม่มีที่พักไม่มีที่ผ่อนะขมุขมอมมอมอแหมมโมดเรียกว่าคนยากไร คนหมดอ่าหมดประตูหมดที่พึ่งที่อาศัยหมดไม่มีอะไรบ้านที่จะกลับไปก็ไม่มีจิตใจของเราเนี่ก็เหมือนกันแหละไม่รู้จักกลับมาบ้านเสล็ดเตรไปเรื่อยเนี่ยก็เหมือนคนที่เล่ร่อนไม่มีคุณค่าราคาถ้าเรากลับมาจิตใจเรากลับมามาอย่างน้อยที่สุดก็มาอยู่กับตัวของตัวเองนี่แหละให้รู้ตัวเองมากๆในที่สุดมันก็จะเกิดคุณค่าขึ้นมา อย่างสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้อยู่บ่อยๆอยู่นานๆในที่สุดมันก็จะเกิดความมั่นคงนี่ความมั่นคงเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามมาสิ่งทุกอย่างตามติดมาดทันทีเหมือนอย่างต้นไม้เวลามันต้นเล็กอยู่มันยังไม่ไกลถ้ามันโตขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยประโยชน์จะพึ่งลมพึ่งเงาก็ได้ แต่มันเกิดดอกออกผลมาเป็นหมากเป็นผลมาสุกมานกหนูตัดต่างๆมาดูมากินก็ได้บังแดดบัง่มบังเงาก็ได้ไม้เอาไปทำจินพ้องใช้สอยก็อย่างได้เนี่มันมีประโยชน์มากมายจริงๆเนี่ยแหละมันก็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นจิตใจเราถ้ากลับมาแล้วท่านบอกว่าการกลับมา ก็คือการมารับรู้ตนของตนเองเนี่ยแหละรับรู้กายบังรับรู้แข่งรับรูข้ขาบังรู้อยู่ตรงนี้แมันไม่ได้อะไร่ารู้กันอยู่ตรงนี้ในที่สุดทักษิณที่มันไม่นึกว่าจะมีเลยมันก็มีขึ้นมาอันหนึ่งคือร่างกายของเราเนี่ยเนี่ยมันมีอันนี้อยู่ถ้าจิตใจไม่อยู่กับร่างกายแล้วมันไม่มีอะไรนะมันไม่มีอะไรที่จะยึดเอาได้เลยครูบาอาจารย์ของพวกเราว่าท่านบอกว่า ให้ยึดเอานี้แหละเอาตัวของตัวเองเอาใจมาสังเกตกายมาดูกายมาพิจารณากายเอากายนี่แหละเป็นเป้าเป็นลลหลักนหลับให้ยึดซะก่อนแล้วเรามาอยู่ตรงนี้การภาวนาจริงๆแล้วคือการที่เฝ้าเฝ้าดูเฝ้าระมัดระวังเฝ้าทินิ้พิจารณาตัวของตัวเองเพื่ออะไรเพื่อให้จิตใจเนี่ยมันฉลาด ไอ้จิตใจฉลาดแล้วมันก็รู้เรื่องของตัวเองเนะ่ะไอ้ที่ไม่ฉลาดก็อย่างคนตัวของตัวเองก็ไม่รู้เรื่องเรียกว่าคนไม่ฉลาดมันจ ะ, ะตกปรกที่ไหนก็ไม่รู้จักมันจะสะอาดที่ไหนก็ไม่รู้จักเออเหมือนคนคนที่ไม่เต็มไม่เต็มบา ท, บาทผีบ้ากตังกู่ตังเกงขาดทั้งนั้นเพื่อนทั้งนี้ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลย อย่างนั้นเหมือนกันนะจิตใจที่มาอยู่กับเนื้อกับตัวก็วไม่รู้จักว่าตัวดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนไม่รู้จักเลยโคกมุกข อ, องเพราะฉะนั้นการที่ฝึกจิตฝึกใจให้เฉลียวฉลาดนี่ก็คือการกลับมาเฝ้าดูอยู่ตรงนี้เมื่อเฝ้าดูอยู่ตรงนี้มันก็จะรู้จักมันรู้จักตัวตัวของตัวเองเนี่ยไอ้เรานะ่ยเชื่อ ว, ว่าฉลาดนะั้นต้องไปรู้จักเรื่องของคนอื่นเ่ยเรื่องจิตตะวิทยาบ้างเรื่อง สังคมบ้างเรื่องอะไรต่างๆวิทยาศาสตร์อย่างนั้นเรียกว่าคนฉลาดออกไปเที่ยวรู้นอกรอบโมดเรียกว่าคนฉลาดแต่ว่ายังทุกข์แบดีมีทุกข์เกิดความผิดความเพี้ยนไว้ในร่างกายหรือในอะไรส่วนของตนนิดๆหน่อยๆร้องหมลอ ง, หลองให้เป็นวักเป็นเวนส่วนผู้ที่เข้าไปพูดปฏิบัติเข้าปฏิบัติทำ จิตใจของมีหลับมิเดือนแล้วเขารู้เรื่องตัวของตัวเองรู้ว่ากายมันไม่ดีตรงไหนจิตใจไม่ดีตรงไหนเขาพยายามบประกองรักษาฝึกฝนอบรมให้จิตใจมีความสงบมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งแแรงถึงจะเกิดเรื่องเกิดเหตุเกิดเพศภัยอะไรต่างๆขึ้นมาจิตใจเขาสามารถยืนหยัดมั่นคงอยู่ได้ถ้าใจเราไม่หวาดไม่หวัน่นไม่กลัว เต็มแทงอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีปัญหาเลยคนที่จิตใจไม่มัน่นคงจิตใจแสบใจจิตใจโลเลหวาดวันประหวังท่านพึงนั่นแหละคือคนที่จิตใจอ่อนแอนั่นไม่ได้รับความสบายเหล่าั้งหวาดหวัน่นหวาดกลัวหวาดเกรงจิตใจล้มฟุ้งซ่างไม่มีกำลังนั่นแหละไม่มีความสุขไม่มีความเยืนหยัดไม่มีความลมเย็นดับถ้าเรามารักษาเขากลับขึ้นมา ตรงกันข้ามกับที่เราเคยทำที่กลับขึ้นมาเนี่ยจะต้องการอะไรต้องการภาวนาให้มันเป็นเนื้อต้องการทำสมาธิเนือมันจะเป็นทั้งหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันร่วมอยู่ในนี้ทั้งหมดโดยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ในที่สุดเมื่อรวมตัวรลวม ก, กันลงมาแล้วที่จะเป็นประโยชน์แก่เรามันอยู่ในเรานี่ทุกมดไอเราที่จะไปไฝ่คว้าที่อื่นเรื่องอื่นอย่างอื่นนั้นถ้าคว้ามาแล้ว แล้วไม่มีตัวเราแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรทีนี้ผู้คนส่วนมาก่ะฝันวายหามาตั้งแต่เกิดนั่นแหละ ย, ยันเกือบตายพอได้มาแล้วเนี่ยหาตัวของตัวเองไม่พบไม่เจอเลยไม่รู้จะทำยังไงที่ได้มานก็ไม่รู้จะมีประโยชน์อะไรใ น, ในในที่สุดก็ ก, กองไว้ตรงนั้นเนี่ยคือได้มาแล้วก็ไม่รู้จะจะเอาก็เลยมากองทิ้งไวต้ตรงนั้นทิ้งไว้เบื้องหลังท่านว่าอย่างนั้น ไปเบื้อหลังมอดจะเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรเป็นนินปินดาชื่อเสียงเกียรติคุณอะไรต่างๆกองทิ้งไว้เรียรัดมอดหามาชั่วอายุนะั่ะนี่ไม่หมดเอาไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่เห็นตัวเองไม่รู้จักตัวเองเลยไม่รู้จะเอาไปได้อย่างไรมันไม่มีผู้จะเอาแลยกว่าเนี่ยจิตมันไม่อยู่ใจมันไม่อยมันก็เลยเอาไปไม่ได้ วิธีที่จะเอาไปได้จากโลกมันมีวิธีเดียวเท่านั้นโดยการฝึกจิตฝึกใจแล้วเอาจิตเอาใจนี่แหละเป็นภาชนะสำหรับบรรพุกเอาเด็ดเอาสิ่งต่างๆที่ดีๆจิตจิตจิตใจไปให้มันได้ถ้าจิตใจไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมไม่ได้ประพฤติปฏิบัติให้มันดีแล้วมันจะเอาไปได้ที่ไหนมันไม่มีคุณภาพอะไรพอจะติดความดีจะติดไปได้หรือไม่นี้ สมาธิก็ไม่มีความสงบก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีไม่มีอะไรทั้งหมดมันก็ใช้ไม่ได้ก็เลยไม่ได้อะไรยังไงละ่ะที่พวกเราทั้งหลายผู้คนทั้งหลายชาวพระสาททั้งหลายอยู่ในโลกนี้จนัึงช่วงชีวิตแล้วก็เอาเอาดีอะไรต่างๆเอาสิ่งดีต่างๆจากโลกไม่ได้ก็มันเทาะอย่างนี้แหละเพราะคนคว้ายไปค้นคว้ายมาแล้วก็เมื่อเอามาแล้วไม่มีที่จะเก็บไม่มีที่จะใส่ไม่มีที่จะเอาไว้ ไม่มีที่จะบรรทุกเอาไปมันก็หมดถ่ายมันเลยกองไว้เนี่กงไว้เบื้องหลังทั้งหมดทุกอย่างถ้าคนฉลาดก็เอาเป็นแล้วมันมันต้องมีวิธีเมื่อได้ความรับความสะดวกได้รับความสบายจากสิ่งของต่างๆหรือจากความสามารถต่างๆในทางโลกแล้วเขาจะใช้สิ่งเหล่านั้นมาแลกเอาความสมบูรมาแลกต่อก า, ารประพฤติปฏิบัติมีเงินมีทองมากๆ ไปแรกเอาโอกาสที่จะได้มาพักมาประพฤติปฏิบัติธรรมในที่ที่มันสงบในที่มีครูบาอาจารย์มีหมู่มีพวกอาวุธปฏิบัติธรรมเขาเสียจะละสิ่งที่เขาหามาได้ามาแรกเอาความสงบมาแลกเอาสมาธิมาแลกเอาสติทุนปัญญามาแลกเอาปัญญาในด้วสุนทรธรรมต่างๆมันก็เกิดมีในใจจิตใจของเขาเกิดปัญญาเกิดบุญเกิดกุศลเกิด ส, ด ส, ดสมรธิภาพ เนี่ย yeah. ผู้ที่เอาเป็นก็เอาได้อย่างนั้นแล้วที่จะเอาเป็นยังไงเขาทำยังไงถ้าไม่ปล่อยเพร่นผ่านไปหรอกจิตใจในที่สุดเขาจะกลับมาเอาจิตมามาดูกายมาอยู่ด้วยกันในละอย่าส่งไปเราส่งไปนานแล้วไม่เห็นได้ดีอะไรในที่สุดเขาจะรวมมาตรงนี้กันทางนั้นเพราะฉะนั้นเราอย่าส่งจิตส่งใจไปเลยรักษาเถอะมันจะได้หรือไม่ได้อย่าไปทอดแท่มันเพราะพระเจ้าท่ากล่าวไว้แล้ว ผลจะเกิดแต่เหตุเรากําหนดจิตกําหนดใจอยู่ที่นี่เราจะฝึกสมาธิวิธีฝึกมันก็เป็นอย่างนี้แล้วทําอยู่อย่างนี้มันจะไม่เกิดผลมันจะได้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกผลจะเกิดแต่เหตุนะแล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะอย่างไรผลจะเกิดแต่เหตุเราพยายามสร้างเหตุแห่งความสงบของจิตของใจสร้างเหตุแห่งความเฉลียวฉลาดเกิดในใจ มันก็ย่อมเกิดความเฉลียวฉละเกิดสติเกิดปัญญาเกิดกำลังเกิดสมาธิอะไรหลายๆอย่างที่มันจะเกิดมันพร้องจะเกิดก็เกิดในใจเนี่ยเพราะฉะนั้นกลับมากลับมาเสียอย่าไปมัวสนใจคนนู้นคนนี้ก็จะเป็นอะไรก็ช่างก็เถอะปล่อยเข้าไปปล่อยไว้เป็นเรื่องของเขารีบกัรีบประพฤติปฏิบัติรีบสนอกสนใจตนเองเดินไปเดินมาก็ได้นั่งอยู่ก็ได้ ชันเข้ากินข้าวอยู่ก็ยังกําหนดจิตอยู่ที่ตัวเองก็ย้ำได้จะนอนกําลังจะนอนยังไม่หลับก็กำหนดจิตอยู่ที่ตัวเองก็ย่อมได้มันได้ทั้งนั้นเนี่ยต่อไปนี้กําหนดจิตกําหนดใจไว้ฟังเทศของหลวงปู่ก็เหมือนกันต้องกําหนดจิตกําหนดใจของเราไว้ที่ตัวของเรานี่แหละอย่าส่งจิตส่งใจไปที่อื่นถึงท่านจะพูด ไ, ไกลขนาดไหนเรื่องไหน ต, ต่างๆ แต่ในที่สุดเรื่องเหล่านั้นท่านก็พูดเพื่อจะน้อมให้มาสู่ตัวเราเสู่จิตสู่ใจทั้งนั้น